แถวนี้ผีดุเปรตบุญข้าวประดับดินสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อนายพรชัยอายุ25ปีขอถ่ายทอดประสบการณ์ลี้ลับชวนขนหัวลุกที่ได้เจอมากับตนเองเมื่อหปีที่แล้วตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ พอถึงคราวงานบุญค่าประดับดินซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนอีสานผมมักจะกลับบ้านเพื่อช่วยคนในบ้านทำอาหารหวานคาวไปที่วัดบุญค่าประดับดินนั้นคืองานบุญที่จัดขึ้นในวันแรม14บสี่ค่ำเดือน9ของทุกปีเพื่อ น, นําอาหารหวานคาวไปห่อใส่ใบตองเล็กๆนําไปวางไว้ตามโคนต้นไม้หรือบนดินเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วเชื่อว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะมากินอาหารเหล่านั้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตะต๋อเ ว, วทีที่ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษและยังเป็นการอุทิศบุญให้กับเหล่าผีสางนางไม้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ไม่มีญาติด้วยที่บ้านของผมก็จะมีตากับยายที่เสียชีวิตไปแล้วทุกๆปีแม่และพี่ป้านะ้าอาจะช่วยกันทําอาหารและขนมต่างๆในงานบุญข้าประดับดินและในปีนั้นก็เช่นเดียวกัน ตัวผมเองรีบกลับบ้านไปช่วยทำอาหารต่างๆตามที่ตากับยายผมชอบทุกคนช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีตั้งแต่ห่อข้าวต้มมัดทำอาหารหลายอย่างและขนมพอวันรุ่งขึ้นก็ไปวัดเพื่อทำบุญก่อนในวันนั้นคนจะมาเป็นพิเศษเพราะให้ความสำคัญกับงานบุญค่าประดับดินมาตั้งแต่สมัยโบราณพอทำบุญใส่บาตรทำพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาเรียบร้อยแล้วลูกหลานแต่ละบ้าน ก็จะนําข้าวเหนียวอาหารหวานคาวต่างๆมาใส่ในห่อใบตองเล็กๆและหลังจากนั้นก็จะนําไปวางไว้ที่โคนต้นไม้หรือบนดินผมกับพี่ป้าณนาะอาก็ทําแบบนั้นเช่นกันพอวางอาหารเสร็จแล้วก็จะเรียกวิญญาณบรรพบรุษมากินอาหารแล้วเรียกวิญญาณของผีสางนางไม้ทั้งหลายทั้งที่มีญาติหรือไม่มีก็ตามที่อยู่บริเวณนั้นๆมากินอาหารด้วยเพราะเชื่อว่าหากทําบุญสร้างกุศลทั้งที ก็ต้องเผื่อแผ่กับผีไม่มีญาติรวมทั้งพวกเปรตประเภทต่างๆด้วยนะครับระหว่างนั้นเองมีหลานผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งได้มาบอกกับผมว่านะนะนั่นตัวอะไรอะ่ะเธอชี้ไปที่บริเวณขาด้านซ้ายหลังของผมแต่ผมสำรวจดูแล้วไม่เจออะไรพี่สาวจึงบอกว่าอย่าไปอําน้าก็สิเพราะเด็กคนนี้ชอบอําคนอื่นเป็นประจำครับเลยโดนดุไปตามระเบียบครับแต่สักพักหลานสาวก็พูดขึ้นมาอีกว่า หนูเห็นจริงๆนะคะแม่ตัวอะไรดำๆขายาวๆมาเกาะที่ขาของนาพี่สาวก็เลยพูดอีกครั้งเสียงดังลั่นทำอาลานตัวน้อยหน้าจ่อยและเงียบไปแต่เธอก็ยังคงชี้มาที่ขาของผมอยู่และสะกิดให้คนเป็นแม่ดูเป็นระยะๆแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนักคิดว่าเด็กคงจะอําเล่นขำๆตามประสาเด็กเมื่อทำพิธีกรรมต่างๆเสร็จในตอนกลางวันแล้วผมกับญาติก็พักผ่อนกันตามปกติ พอตกเย็นพี่น้องมากกว่า10บคนก็มาร่วมรับประทานอาหารกันที่บ้านและสังสรรค์กันการสนทนาในวงข้าวคือเรื่องเปรตที่มาขอส่วนบุญจากงานบุญข้าวประดับดินเพราะมีความเชื่อว่าเปรตที่ไม่มีญาติอุทิศบุญไปให้มักจะได้บุญช้ากว่าเพื่อนบางตนก็ต้องรอคอยให้วิญญาณอื่นๆได้รับส่วนบุญก่อนหรือให้ดวงวิญญาณอื่นๆได้กินอาหารก่อนเปรตที่ไม่มีญาติจึงมากินต่อ แต่ถ้ามันไม่ได้เสพอาหารและอยากกินอาหารกับใครมันก็จะตามคนคนนั้นไปถึงบ้านเพื่อไปขอกินอาหารนั่นเองและมีความเชื่ออีกว่าห้ามนําอาหารในกระทงที่ให้กับวิญญาณไปกินถ้าผีหวงอาหารก็จะตามไปหลอกหลอนจนเป็นบ้าได้เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับเด็กๆในละแวกนั้นเมื่อปีที่แล้วที่เด็กเอาของจากกระทงไปกินแล้วเห็นผีตามไปที่บ้านเพราะเด็กนั้นยังมีจิตที่ยังบริสุทธิ์อยู่ทําให้เห็นสิ่งลี้ลับได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ การสนทนาเรื่องผีเปรตเป็นไปอย่างสนุกสนานผมก็นั่งฟังด้วยความอยากรู้เพราะตั้งแต่เด็กจนโตก็ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้มามากพอสมควรและมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีสางพอสมควรจนกระทั่งถึงสี่ทุ่มก็แยกย้ายกันเข้านอนตัวผมเองได้กางมุ้งนอนบริเวณชานหลังบ้านที่ติด ก, กับทุ่งนาคืนเดอนแรมทาให้เห็นดวงดาวได้ถนัดตาและเห็นแสงไฟจากชาวบ้านที่มาส่องกบส่องเขียดตามทุ่งนา ผมนอนเล่นสักพักก็กำลังจะหลับไปแต่ทันใดนั้นเองก็รู้สึกปวดที่ตรงขาข้างซ้ายทั้งขาและรู้สึกหนักเหมือนจะยกไม่ขึ้นปวดจนนอนไม่หลับก็เลยหายาแก้ปวดมาทานจนเคลิ้มหลับไปพอถึงตอนเช้าผมก็ยังรู้สึกว่าปวดขาอยู่และมันเหมือนจะยกไม่ขึ้นจนพี่สาวได้มาประยุงตัวลุกขึ้นมาจากที่นอนขามันหนักมากครับเหมือนมีอะไรมาถ่วงตรงขาอยู่ ให้พี่สาวดูจนทั่วๆก็ไม่เห็นว่ามันจะบวมหรืออักเสบอะไรมีแต่ปวดเฉยๆสักพักหลานสาวก็เปิดประตูออกมาจากในห้องนอนเมื่อเธอเห็นพี่สาวกําลังพยุงผมเธอก็พูดอีกว่านะนะตัวเมื่อวานยังเกาะขาหน้าอยู่เลยนั่นไงนั่นไงพี่สาวก็ตอบว่าหลานยังไม่เลิกอั้มนะอีกเดี๋ยวเธอะก็นู๋เห็นจริงๆนี่เหมือนซาปาลาดในการ์ตูนเลยค่ะแม่ตอนแรกผมก็คิดว่าหลานสาวชอบอั้มเป็นเรื่องธรรมดา แต่คราวนี้เธอจะพูดซ้ำๆบ่อยๆว่าเห็นตัวดำๆอะไรบางอย่างมาเกาะที่ขาและก็เป็นขาข้างเดียวกับที่ผมปวดด้วยผมนึกสงสัยว่าอาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาเล่นงานผมหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่สาวฟังเพราะไม่แน่ใจว่าตัวผมก็อาจจะคิดมากไปเองอาการปวดขายังคงเป็นอยู่เรื่อยๆทั้งวันบางครั้งก็หายไปสักพักก็ปวดอีกและมาพร้อมกับอาการยกขาไม่ขึ้น มันหนักไปหมดจนผมต้องเดินกระเพกกระเพกทั้งวันจนกระทั่งคืนที่สองผมก็ได้กินยาแก้ปวดจนเคลิ้มนอนหลับไปแล้วฝันว่าเห็นเปรตตนหนึ่งกำลังหากินอาหารอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่ผมวางข้าวประดับดินตัวมันสูงยาวและดำไปทั้งร่างผมไม่เห็นหน้าตาของมันเพราะมันดำสนิทกลืนกันไปหมดแต่พอจะรู้ว่ามันน่าจะเป็นผีเปรตผู้ชาย มันกำลังก้มหาของกินเป็นของสกปรกไม่ว่าจะเป็นมดปลวกน้ำมูกน้ำลายผมได้แต่ขยักข่แยงและมองมันกินของสกปรกอยู่อย่างนั้นแต่ในฝันผมไม่ได้กลัวมันเลยถามมันไปว่ามึงเป็นเปรตใช่ไหมมันหันหน้ามาและพยักหน้าเป็นสิ่งที่ตอบว่าใช่เปรตแน่ๆระหว่างนั้นจากที่มันงมหาของกินอยู่กลายเป็นมันเดินเข้ามาหาผมผมจึงชี้หน้ามันแล้วพูดว่า มึงอย่าเข้ามานะแต่มันไม่ฟังกลับเดินเข้ามาหาเรื่อยๆจากนั้นผมก็วิ่งหนีเพราะเกรงว่ามันจะทําร้ายเอาในใจก็คิดว่าไม่น่าไปทักมันเลยขณะที่ผมออกตัววิ่งขีเปรตได้กระโดดเกาะขาผมไว้ผมพยายามสลัดขาออกแต่ก็ไม่เป็นผลมันเกาะไว้แน่นมากมือนี่เย็นเจี๊ยบผมจึงตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยจนกระทั่งรู้สึกตัวตื่นแต่ปากก็ยังตะโกนอยู่อย่างนั้นเหมือนคนละเมอ ปรากฏว่าเมื่อรู้สึกตัวตื่นก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาเกาะ อ, อยู่ที่ขาและเย็นมากเหมือนกับในฝันเปียบเลยผมลืมตาแล้วลุกขึ้นก็ปรากฏเห็นแต่มือสีดําและใหญ่มากมือมันส ก, กปรกเอามากๆและกลิ่นก็เหม็นเน่ามากผมตกใจกลัวแต่สัญชาตญาณของผมก็เหลือบมองไปข้างนอกบ้านสิ่งที่ทําให้ผมช็อกก็คือผมเห็นตัวของมันอยู่นอกบ้านร่างสูงใหญ่ประมาณ3เมตรตัวดําสนิท แขนของมันที่ยาวเหยียบเป็นเมตรมีน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกมาเต็มไปหมดแขนมันยาวมากขนาดมันดึงขาผมไว้ผมสติแตกร้องเสียงหลงวอยวายดังลั่นบ้านทําเอาทุกคนตื่นกันหมดคนแรกที่วิ่งมาดูคือพี่สาวแกถามว่าเป็นอะไรอะ่ะนอนละเมอหรือเปล่าตอนนั้นผมทําอะไรไม่ถูกกลัวจนตัวสัน่นแต่ขณะเดียวกันภาพของเปรตเมื่อกี้มันก็ได้หายวับไปกับตาผมบอกพี่สาวด้วยเสียงสั่นและตกใจเปรต เปรตเมื่อกี้เปรตนั้มาดึงขาผมแต่มันหายไปแล้วพี่สาวก็กลัวแหละครับแกบอกว่าขนลุกเลยเพราะเมื่อคืนก่อนนอนหลานสาวได้วาดภาพสัตว์ประหลาดที่มาเกาะขาผมให้แกดูปรากฏว่ามีลักษณะเหมือนกับเปรตพี่สาวจึงให้ผมเข้าไปนอนในห้องด้วยเพราะผมไม่กล้า น, นอนอยู่ตรงนี้คนเดียวและนําภาพวาดของหลานสาวมาให้ดูผมถึงกับช็อกไปอีกครั้งเพราะมันเหมือนผีเปรตที่ผมเห็น สักพักญาติพี่น้องที่นอนบ้านเดียวกันก็เข้ามาในห้องพี่สาวผมได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังด้วยความกลัวก็ได้รับคําแนะนําว่าอาจจะเป็นเปรตที่วนเวียนในงานบุญค่าประดับดินเป็นเปรตที่ไม่มีญาติและคงอยากได้ส่วนบุญจากผมเพราะผมเป็นคนชอบทําบุญและคงหิวแต่มาทําให้เห็นเต็มๆแบบเนี้ยบอกตรงๆว่าผมกลัวจะเป็นไข้ไปหลายวันเลยครับกว่าจะหายก็ทํามาเกือบแย่เหมือนกัน แต่ก็ได้ไปทําบุญให้เปรตตนนั้นเรียบร้อยแล้วผมสังเกตว่าหลังจากที่เปรตปรากฏตัวและทําให้ผมได้รู้สาเหตุของอาการปวดขากลายเป็นว่าอาการปวดขานหนักๆนวงๆก็หายไปด้วยผมเชื่อว่าน่าจะมาจากการที่เปรตตนนั้นมาดึงขาทําให้ปวดและหนักเขาคงอยากได้บุญเลยตามมาถึงบ้านเลยเชียวแต่พอผมทาบุญให้แล้วก็ทาให้หายจากอาการที่ว่ามาไปเฉย เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้เจอกับสิ่งลี้ลับที่เรียกว่าเปรตเข้าอย่างจังและทําให้ผมรู้ว่าควรทําบุญมากๆตั้งแต่เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะหากตายกลายเป็นเปรตแล้วอย่าว่าแต่บุญเลยครับแม้แต่ข้าวสักเม็ดน้ําสักหยดจะหากินก็ยากเหลือเกินหากไม่มีญาติทาบุญให้ด้วยแล้วก็ยิ่งทรมานไปใหญ่หรือหากเกิดเป็นเปรตประเภทที่รับส่วนบุญได้ยากก็จะทําให้เป็นเปรตนั้นตราบนานเท่านานเลยละครับ